م ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ِ س ل ه ا ر ح م ا ر ح ي م ح م د ا ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ا ل ع ا ق ب ة ل ل م ت ق ي ن و َ ل ا ع و ا ن إ ل ا ع ل ى ا ل ع ا ل م ي ن و ص ل ي و َ ص ل م ع ا ل أ ش ر ف ا ل أ و ل ي ن و ا ل ْ خ ر ي ن ن ب ي ن ا م ح م د و ع ل ى آ ل و ه ح ب ه ومن ت ب ع ه ح س ا ن ْ ت ا ل د ي ن ثم أ م ا ب ع د ِ إ ِ ح ْ س َ ا ن ك ر ل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ي آية ا ق ص 35 ناقص 35 ا ق ص 35 ناقص 3 ا ق ص 35 ناقص 35 ن ا ق ا ق ق ص 35 ن ا ق ا ق ص ا ق ص 3 ا ا ق ص ا ا ق ص 3 ن ا ن ا ن ا ن ا ا ق ا ا ق ص ا ا ا ق ص 3 ا ق ص 35 ا ว่าจะให้ดูฟีซาบิลีละก็ลุกมตุฟลิฮูนผู้ศรัทธาทั้งหลายเพื่อเยื่อเกรงอัลลอฮฺเถอดและจงแสวงหาสื่อศีละไปสู่พระองค์และจงต่อสู้และเสียสละในทางของอัลลอฮฺเถอดเผื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จละก็ลุกมตุฟลิฮ ยังข้ามอยู่เรื่องหนึ่งลืมอธิบายนะครับนั่นก็คือวสีล้นั่นคือสื่อที่จะนำเราไปสู่ความใกล้ชิดกับอัลลอสุบฮานาห์วะตาลซึ่งอธิบายได้ว่าคือการกระทำทุกทุกประเพณทุกอย่างที่เราใช้ไว้ถ้าทำแล้วถือว่าเป็นการสวามิภักดิ์ต่อล เป็นการเชื่อฟังอัลลอฮเป็นการสแสวงหาสื่อสแสวงหาผลบุญที่อัลลอฮฺเตรียมไว้นี่คือความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งของอัลวอซีละนั้นอัลวอซีละก็คือชื่อตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งในส่วนสวรรค์อัลวอซีละเป็นชื่อตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งในส่วนสวรรค์ ซึ่งน่าจะเป็นตําแหน่งที่อยู่ในชั้นอัลฟิรดาสนั่นเองแต่เป็นตําแหน่งพิเศษตาแหน่งนี้อัลลอฮฺเตรร์เตรียมไว้สำหรับบ่าวของพระองค์คนหนึ่งไม่มีการระบุว่าใครที่จะได้ตําแหน่งนี้แม้กระทั่งท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่ท่านนบี ได้สอนพวกเราให้ขอดุทิศให้ท่านหลังจากได้กล่าวตามมอัวจินแล้วเนี่ยนบีบอกว่าให้กล่าวตามหัวจินแล้วก็กล่าวว่าแล้วกล่าวฮัะซลตแล้วขอต่ออัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยให้ท่นานเจ้าได้รับตําแหน่งอัลวะซีละ فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. ซึ่งข้าพเจ้าตรรกะว่า و س ي ر ة นี้เป็นตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งที่ไม่บุไม่บังควรให้ใครรับนอกจากเบาคนหนึ่งของอัลลอฮ์ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นเบาคนหวังว่ามีไม่ได้บอกว่าของฉัน ขฉันแน่นอนหวังว่าจะเป็นตำแหน่งที่ข้าพเจ้าจะเข้าฉะนั้นในอุทธรณ์การอิรฐานะานละหุมราบบหารดาวดิตามัสละติลโควิมาอติมุฮัมมัดนั้วิสัละตานี่ัฉะนั้นด้วยมารยาด้วยมารยาทในการขออุทธ อัลลอฮ่าไม่ให้เราละเมิดในการขอด dua ขอด dua ได้ทุกอย่างแต่ละเมิดเวลาจากดูอินนั่ลละอะไรชอบหมดละเมิดใเรื่องนั้นละเมิดละเมิดในในการขอที่ไม่บังควรขอเช่นขอขอในเรื่องที่อหังโออัลลอฮ์ให้คนที่มันตายสัทีตายทําไมอไม่ชอบที่หน้ามะ บ้าโอ้ล l l a h คอยมันถูกรุ่ชนใสทลักเลือดไหลไม่มีใครพาไปโรงพยาบาลให้มันทราทำไมขนาดนั้นนี่เป็นการละเมิดในการขอดว้วยหนึ่งในการละเมิดนี่ไปขอในสิ่งที่เราไม่มีสิทธิ์เช่นอัลลอฮสีละของใครน บ, บีหวังว่าอยากจะได้เราก็ไม่ควรที่จ้อ l อคอย ได้วอซีล่าไม่ได้แต่นบียังเปิดโอกาสให้เราขออีกอย่างนึงทางอ้อมเวรซีล่นีอยูนิลเดาส์ไมั้แต่เป็นตําแหน่งสุดยอดของฟิลเดส์แต่นบีบอกว่าให้เราขอเข้าฟิลดาสได้ไหมได้ขออยู่ใกล้ชิดนบีได้ไหมได้ขอ ขออยู่ขอนั่งใกล้นบีในสวนสวรรค์ได้ไหมได้ ص ح า ب าท่านหนึ่งนบีบอกว่าเจ้าอะไรขอมาเลยเจ้าอะไร صحاب าทก็บอกอัสลูกะมูร่าฟักะตะกฟิลจันขออยากได้อยู่กับท่านในสวรรค์ตลอด มีทางอ้อมน่ะท่านั ako, ้นไปอยู่วันีละน่ะคนนี้ขออยู่กันนบีในสวรรค์ตลอดก็หมายถึงว่าก็ต้องอยู่แนั้นนะใช่ไหมแต่จะมาขออ้อแล้วขอจนไม่วันีละนี่อันนี้บิดมารยาเป็นการละเมิดในการขอด้วยแตขอให้อยู่ใกล้นบีนบีบอกอัครบุคคลมีมัจฮลิสยามลยามะอฮินุุมัลา คนที่จะใกล้นั่งใกล้ชั้นในมันจลิสที่นั่งของฉันนี่ยในสวรรค์นี่คนที่มีมารยาดีที่สุดในหมู่พวกท่านแสดงว่าอ่อนเราขอให้ฉันมีมารยาดีที่สุดมันเป็นการขอทางอ้อมว่าก็จะได้เป็นคนที่นั่งใกล้นบีในสวนสวรรค์ขอให้ฉันอยู่กับนบีในสวนสวรรค์ได้นะครับ ของมุสตาในส่วนสวรรค์นั้นมันก็เป็นเรื่องเดียวเกี่ยวกับวซิละในความหมายอันแรกความหมายแรยกในวซิละคือไปไหนอะ่ะไปสู่พระองค์คือให้ให้ใกล้ชิดกับพระองค์ เรถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นคดีเดียวกันอาการที่เราจะสแสวงหาสื่อคือการกระทำที่ทำให้เราใกล้ชิดกับโลกนั่นหมายรวมว่าเราก็กำลังหาตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับโลกในสวรรค์แล้วตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับโลกในส่วนสวรรค์นั่นคือตาแหน่งของท่านเดีเฟรเดอ หลังคาของเทรดาวสติก็คือพระบัลลังก์ของโลกไกลที่สุดแล้วชาวสวรรค์บางคนชาวสวรรค์ส่วนมากก็จะเห็นพระพัก ข, ของรสุภาวาตาลทุกสับดาดาในวันสุขที่เรียกกันเยามุลอารูบะจะมีด้วยสัปดาห์จะมีด้วยสวนสวรรค์ เอาแล้วจะนัด ก, กันยังไงอ่ะจะไปเยี่ยมกันจะม ก, กันมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีเวลาล่ะแต่มันไม่เป็นไปตามกฎขอ ง, ของโลก<ม>สัปดาห์จ็วันวันละ24สิบสี่ชั่วโมงมอ่ะคงไม่ใช่แต่มันต้องมีหมายนัด ก, ก็จะมีหมายนัดระหว่างอัลลอฮ์กับชาวสวรรค์ส่วนมากหรือทั้งหมดให้มองเห็นพระพัก์ของอัลลอ์นี่สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง แต่ตะะมีชาวสวรรที่จะเห็นพระพากของอัลลอสุลฮานาหวตาล่ยามเช้ากับยามเย็นนี่คือบุคคลที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุลฮานาหัวตาลมากที่สุดซึ่งเรื่องนี้ท่านนาบีสุลลลัลลอฮฺวะฮสัลลัลมได้ปลูกฝังไว้เป็นบทขัดเราที่มุสลิมทุกคนจะต้องรำลึกเสมอรำลึกตำแหน่งชั้นที่ชั้นอยู่ได้ ที่ฉันจะอยู่ไหนใน ส, สวรรค์อุศธา <c oughs> ที่ตั้งใจตั้งใจจะรับรางวัลชั้นใหญ่หลวงนี่ประเด็นว่าอยากเข้าสวรรค์นี่สําหรับข้อนี้ไม่ใช่ประเด็นละ่ะต้องต้องเข้าสวรรค์ให้ได้แต่ที่มันมากกว่านั้นนะ่ะเข้าสวรรค์นันมีอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อย่าอย่าเป็นคนที่ท่นานนบีบอกว่า เป็นคนสุดท้ายที่จะเข้าสวรรค์คนสุดท้ายคนสุดท้ายที่จะเข้าสวรรค์ก็คือคนสุดท้ายที่จะออกจากนรกถูก ต, ต้องคนสุดท้ายขอขอกจากนรกก็คือมุสลิมนี่แหละแต่ความผิดเ้ายกแล้วก็ไปพังแกในรนรกนี่ยาวน้นมากจนกระทั่ง ผู้สุดท้ายุคนนี้เขาชาระนะเขาก็ออกกันหมดแล้วแล้วเข้าสวรรค์กันหมดแล้วเหลือคนเดียวคนสุดท้ายอคนนี้อยู่ขณะอยู่ในนรกนี่นึกว่าตัวเองไม่ออกจากนรกแล้วก็วิงวอนขอดุทิศต่อโอ้ Allah โอ้ Allah ขอขอออกจากนรกอย่างเดียวอย่างตื่นฉันไม่ขอแล้วแค่ออกจากนรก คือคนนี้ในรุกนี่เขาคิดว่าจะออกจากนรกแล้วนั่นคือนั่นคือสวรรค์เขาละมันยุติการทรมานมันเจ็บแสบมากพอออกจากนรกแล้วก็ได้ได้กินไอสวรรค์ได้เห็นแค่กินไอ้นะอ๋อ <c oughs> ขอให้ฉันอยู่ใกล้ประตูสวรรค์แล้วจะไม่ขออะไรอีกแล้ว <c oughs> กล้อยู่ใกล้ประตูสวรรค์นี้าถือว่าใหญ่หลวงแล้วพอไปอยู่ใกล้ประตูสวรรค์จะเห็นสวรรค์สต้นไมน้ความความสุขของชาวสวรรค์โอ้พระเจ้า <laughs> นี่นหนึ่งนี่นหนึ่งขอให้ฉันเข้า เขาไปอยู่ไกล้ต้นไม้ในสวรรค์และจะไม่ขออะไรแล้วอัลบอกว่าได้ได้เท่ากับความสวยงามคุณงามคุณงามความดีที่มีในโลกดุนยานี้สิทธาเิญมีคนแย่ที่สุดของเจ้าสวรรค์คนคนที่แย่ที่สุด ของคนชาวสวรรค์ไดเท่ากับโลกโลกนี้โลกนี้ทั้งหมดในโลกนี้มีอะไระไปดูสิคนรวยคนเศรษฐีกษัตริย์คนที่มีความสุขมากอยู่ในโลกนี้มีมขขกี่คนทรัพย์สินเขาเท่าไหร่คุณสิบ์ ตามที่สุดแสดงว่าจินตนาการของผู้ศรัทธาในการแสวงหาวซีลแสวงหาตําแหน่งที่สูงส่งและใกล้ชิดกับ Allah กับท่า น, นละวิะสลสลลลออเลวิสลลัลนั้มันจะข้ามประเด็นปริมาณล่ะไม่ใช่รูปกี่เท่านะข้ามประเด็นของปริมาณสู่ประเด็นของคุณภาพ ซึ่งเรื่องนี้มุสลิมก็จะมีอีกมาตรฐานหนึ่งมีอีกมาตรฐานหนึ่งฉนั้นในหะดีษ صحيح ทบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิซลาลลัมเล่าหรือรายงานเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์จะให้ชาวสวรรค์เห็นพระบักร์ของพระองค์ต่อวันที่เขาจะพบอัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى ชาวสวรรค์ี่เข้าสวัรคแล้ว ได้เห็นความสุขแล้วซึ่งเทียมแล้วกับดุนีย์นะอย่างเช่นคนที่แย่ที่สุดเนี่ยมีบารมีมีความสุขเท่ากับโลกดุนีย์สิบเท่าเขาเห็นแล้วไงความสุขในสวรรค์นี่มันเป็นยังไงเขาก็นึกว่านี่คือสุดยอดสุดยอดของความสุขพอเราเรียกเขามาทั้งหมดเลยเนี่ยมาชุมนุมมาประชุมในสวรรค์อลร์ก็บอกกับเขาว่า เังบาหรียนจะอะไรอีกไหมขมุดไม่ออกเนะี่ยจะมีอะไรดีกว่านี้ที่เราได้เจอนี่เราได้เนี่ยไม่ดีกว่านี้อัลลอฮบอกว่าอุฮิลลุอาไุมริดวานีตอนนี้แหละหลังจากที่พวกเจ้าได้เข้าสวรรค์แล้วรับการตอบแทนแล้วข้าพเจ้าจะให้พวกเจ้าลิมความพอพระทยของข้า นี่นามาทำนี่นามาทำถ้าบอกคนที่เคยกินเหล้าในโลกดุนีย์นี่เฮ้ยเคยกินเหล้าดีคนเราอยู่ยกินเหล้าโลกนี้เราอดนะในสวรรค์นนะไอคนที่กินเหล้าออ้ยนี่ขนาดเหล้าในโลกนี้นี่มันโอ้มันโคตรอร่อยแล้วในสวรรค์ น, นี่มันจะเป็นยังไงสมมุตินนะมันมีอะไรที่เทียบอะมันมีอะไรทเทียบ ความสวยงามของของนางสวรรค์อันนี้สําหรับผู้ชายความสวยงามของวังของที่อยู่ความสวยงามนางของเครื่องมุห่มของชาวสวรรค์พอที่จะเทียบผลไม้พอจะออเทียบก็ในรคุตอานนี่ให้เทีย บ, ออยยบแต่บางอย่างที่เป็นนามธรรมนี่มันเทียบยังไงนี่แหละครับผู้สไตล์ต้องบรรลุบรรลุ และสัมผัสความหมายของสิ่งเหล่านี้เมืการอยู่ใกล้ชิดกับพระสุวรรณอตาลัในโลกนี้ถึงจะเทียบได้ไปอยู่สวรรค์แล้วได้ความสุขทุกอย่างแล้วเขายังไม่นึกไม่ออกนี่ว่าจะได้อะไรมากกว่านี้อรลเจ้าก็พอพระใจไงแต่ความบอพระใจอันเป็นนามารํานี่มันไม่สามารถสัมผัสได้นอกจากคนที่ได้สัมผัสแล้วในโลกดุนีย์นี้ จิมมีใจเมียจิ้บอกว่าในโลกนี้มีสวรรค์โลกนี้ไม่มีสวรรค์ไม่มีใครจะสัมผัสความสุขของสวรรค์นี้ในส่วนสวรรค์โลกหน้าเว้นแต่จะต้องเข้าสวรรค์ในโลกดุนียานี้คือความสุขของการตอัดในการทำใบบาาัตร <c oughs> ะอดบอตรซึ่ง น, นี่ น, นี้ ต่อฮัดตความดีสามักต่อเชื่อฟังมันต้องลงทุนต้องเหน็ดเหนื่อยต้องเสียสลักแลจะได้บรรลุตแหน่งที่ใกล้ชิดกับใกล้ชิดกัยงยตอย่างฟัสัสจุดวัการูเข้าใกล้ชิดกับ แ่ในมีบอกว่าคนที่จะอยู่ใกล้ชิดกันแล้วไม่หยุดคนทีข่ขณะสูญนี่จะเป็นนามธรรมแต่รู้สึกไม่รู้สึกอธิบายได้ไม่อธิบายไม่ได้แล้วจะได้ยงไงต้องสัมผัส ด, ด้วยตัวเองด้วยการเสียสละขยันทํำไมบาดาจนกระทั่งได้สัมผัสกับรสชาติแห่งความสุขแห่งความหวานของการทําไม่บาดา ปัญหาของพวกเราส่วนมากนะครับเวลาจะมาหาสิ่งที่จะกระตุ้นให้เราทำใหมบ้านานี่เราเราหลงกับระบบของวัตถุนิยมที่มันซึมซับไปอยู่ในจิตสำนึกภายใต้จิตสำนึกของเราทุกอย่างที่เราต้องเทียบมิวัตถุ เทียบด้ ว, วัตถุแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์เรื่องที่เกี่ยวกับการทำความดีกับอัลลอ์นะเราก็จะต้องเทียบด้วยวัตถุต้องสัมผัสต้องรู้สึกด้ยความรู้สึกธรรมดาธรรมดาแต่เราไม่สามารถหรือยากเหลือเกินที่จะพลิตความรู้สึกความเข้าใจการสัมผัสกับความหมายบางอย่างไม่เหมือนคนอื่น ลำ า, าเาีายมุ่นเลนลเมื่อยเื่อยเท้าหัวเขาการเนื่อยปวดหัวเข่านี่มันจะกลายเป็นความสุขได้ไหมสำหรับคนที่ตั้งใจทำความดีตั้งใจสวามิภักดิ์ต่อลระสุภาราตานี่นี่คือประเด็นนี่คือประเด็น ใน حديث ีต้นนบีซุนนะละอัลลอฮฺสั่งบอกว่าถ้าคนดีตอสู้ในหนต้าอัลลอฮ์และเสียชีวิตจะสวรภูมในหนต้าอัลลอฮ์และไปสัมผัสกับการตอบแทนแล้วเขาจะพูดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราใช่ไหมอัลลอฮ์บก็จะตอบแทนจะให้ใช่ไหม มันก็ใช่เจ้าอะไรก็เอาเลยคนนี้ก็ตายในหุ่นด่างองา่อนเจ้าอะไรขอมาเลยเขาจะบอกว่าขอให้พวกเรากลับไปในโลกดุนยาและต่อสู้ในหุ่นด่างพระองค์ให้ตายสิบครั้งอีกสิบครั้งในหุน่นั่า นบีบอกว่าเนื่องจะเขาได้สัมผัสได้เห็นการตอบแทนอันใหญ่หลวงที่เราเตรียมไว้สําหรับบรรดาชัยฮีแ <c oughs> ส, สดงว่ารสชาติของของการทําความดีและเสียสละเพื่อ Allah มันยิ่งใหญ่กว่าที่เขาได้เข้าไปสัมผัสได้เห็นในสวนสวรรค์ด้วยซ้าไปเขาจะกลับมาดุยายีมากกับบิบีสวนนั่นไหมกับบิ ตามสุขของความพอพระทยตออ่อเนาะสมานโอาสฉะนั้นในสวรรค์ก็จะมีความสุขความสุขที่พวกเราได้อ่านในสวรรค์มีแน่เรื่องอาหารเครื่องดื่มสิ่งบริโภค <c oughs> ความสุขสบาย ภาหนะ่าชนะทุกอย่างที่ทำให้เรานีเต็มที่แต่มันจะมีความสุขเร่งอื่นแน่นอนความสุขเร่องอื่นที่ที่เราไม่สามารถเทียบได้ด้วยวัตถุนะฉะนั้นมุสลิมไม่สามารถเอาระบบวัตถุนีมน้มาเมียมาชีวัดเรื่องของศาสนาเช่น ฮะดีษท ah ah ี o, ah in, ala, ya, im, ub, ima, ah, ่นบ ah ีบอกว่าชาวสวรรค์จะเห็นพระพักของอัลลอฮฺสุฮาห์นาวตานบีบอกว่าเมื่อเห็นพระพักของอัลลอฮฺสุฮาน์นาวตาแล้วเนี่ยเขาจะลืมความสุขที่ได้มาตลอดอยู่ในสวรรค์ทุกครั้งเมื่อเห็นพระพักเห็นพระพักตรเห็นใบหน้าของเราบุนง่ายอัลาอฮฺบอกว่า พระผู้พระผู้ทรงสร้างความสวยงามคิดว่าพระพักของพระองค์นี่จะเป็นยังไงคิดไม่ได้จินตนาการไม่ได้แต่แค่นึกถึงวินาทีนั้นนะ่ะวินาทีที่ Allah จะอนุมัติให้เราให้สายตาของเราสามารถเห็นความสวยงามความสมบูรณ์ของพระพักของพระองค์นะ่ะพี่น้องก็ต้องก็ต้องฟังตงได้เลยว่าในสวรรค์ น, นี่มันมีตําแหน่งมันมีความใกล้ชิดกับล l l a h มากเหนือจาก ความสุขียรละเตรียมไว้สำหรับชาวสวรรค์ผู้ศรัทธาควรที่จะก้าวหน้าในการนึกถึงเรื่องสวนสวรรค์มากกว่ามากกว่าที่เราสามารถเปรียบเทียบกับวัตถุต่างๆนะครับตรงกันข้าม จับุสตาที่สวามีพระต่อมาแสวงหาวัชิระพยายามที่จะอยู่ใกล้ชิดกับองค์ทั้งในโลกนี้โลกหนั้นนี่ก็มีผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ได้พลาดโอกาสในโลกนี้ในการแสวงหาวัชิระแสวงหาตําแหน่งอันใกล้ชิดกับอัลลอฮฺบฮาเนวะฮฺให้เห็น นั่นนะครับอุลรอนก็จะใช้าภาพดีและภาพที่ไม่ดีเนอัลมซานี่ัลลอดนันกสะบมินั้มาซานาีแให้เหจ้านี่ได้มีได้มีบทบทัญญัติใช้าภาพทั้งสองภาพดีกับเลวเละบุนกับโทษอัลลอฮฺ سبحانه แวะอาลจึงเล่าเรื่องของผู้บริสุทธิ์กานุ่นน่ะ วันขีมันิบุข้าวนะรุกِ์ละอิ่นั้นที่น م กฟารูโลว์อันละจุ่มมาในที่ดินทั้งหมดสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินในโลกเนี่ยทั้งหมด และมีเย่อนนั้นอีกรวมกันมีเท่ากับโลกดุญยานี้อีกเท่าหนึ่งรวมกันเพื่อจะใช้มันไถ่ตัวให้พ้นจากการลงโทษในวันเกียรมาแล้วมันก็จะไม่ถูกรับจากพวกเขาอัลลอฮ์ไม่รับและมีเล่าเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดในห a ด i t h บทหนึ่งท่านบนบีซมนลอาะห์ยสเซลลัมบอกว่า คนไม่อยู่ในรกนี่ตลอดการคือผู้บริสต์แทนมาเลย์แกจะมาบอกเขาว่าอยากจะออกจากนรกไหมอยากสิเอาอะไรมาถ่ายตัวเอาอะไรมาทดแทนนะเขาบอกว่าอะไรก็ได้ถ้าฉันมีทรัพย์สินเท่ากับโลกนี้สักสองสามเท่า ฉันก็จะเอามาจายเอามาถ่ายตัวแล้วก็จะตอบส่งเสียงบอกว่าอัลลอฮฺขอไว้น้อยกว่านี้ตอนที่อยู่ในโลกตุนยา this ไม่ต้องไปสะสมอะไรมากมายในโลกนี้จะได้ถ่ายตัวจากนรกจะได้เข้าสวรรค์แลขอเป็นน้อยกว่านี้เยอะแต่เจ้าไม่ได้ทำเพาะฉะนั้นที่เจ้าพูดนี่โกหกแน่นอน คนนรกนี่ก็ต้องรืยอเปลือยขอแค่ออกอย่างเดียวอัลลอฮฺก็เอาเรื่องของชาวนรกนี่ที่เขาจะพูดนะมาเตือนสติพวกเราก่อนที่จะถึงเวลาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำพูดได้ทั้ ง, งนั้นนีสิ่งที่อัลลอฮได้ขอไว้กับพวกเราให้พ้นจากนรกให้เข้าสวรรค์สิ่งเล็กน้อย พี่จะเทวะเดี๋ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่ในคุรานและฮะดีสุนัขนะบิบซอลลัลลอฮุอะลัยซูลลัมจะมีพูดรื่นีบ่ยเ่องถ่ตัวจากนรกมนุษย์ทุกคนตามที่ท่านนบีบอกมนุษย์ทุกคน ไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์เว้นแต่ a l l จะเมตตาหมายถึงว่าอามัลของเราความดีของเราไม่เพียงพอที่จะให้เราเขา้าเข้าสวรรค์กล่าวคือไม่พอที่จะให้เรานี่พ้นจากนรกกล่าวคือทุกคนเนี่ยสมควรที่จะเข้านรกเอาด้วยบาปอะไรอ่ะด้วยทษอะไรอ่ะ ฐานผิดอะไรอ่ะสู้เคนอยู่ในโลงนี้เฉยๆเลยนะละมากระละมาเตากรทุกอย่างทําความดีทุกอย่างเทียเราสั่งไว้เฉยๆนะไม่ไดีบไม่ไดิทําชีริกไม่ไดิทําบาปเลยควรที่จะเข้โาโรก้วยฐานผิดอะไรครับด้วยความผิดแห่ง ความบกพร่องที่ไม่ขอบคุณชุขุลอัลลอฮ์ต่อเนียมะต่างๆที่ให้มาเท่าที่ควรคือการเนรคุณชุกรลตอบเนียมะดวดวงการชุกรลแค่ไหนคือจะใช้ชีวิตในโลกนี้จะได้ชุกรลตอบร้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ดวงตามาสองดวงนี้กล่าวทั้งวันนะคำดุแลคำดุแลคำดุแลมันก็ยังไม่พอ จึงยังเป็นข้อบกพร่องจึงเป็นสภาพที่มนุษย์จะต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการต้องการกุลแานใช้คาว่าใช้คำว่าเราเนี่ยเสมือนเป็นผู้ยากจนยัยวะนาสอ้มนุษย์ทั้งหลายอันตุมุลฟุกอราอูอิลลอฮ สู่เจ้าทั้งหลายนี่เสมือนเป็นผู้ยากจนอิลาลอลสู่อัลลอฮ์ยากจนไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮฺหุ้นหวหนีงและพระองค์ต่างหากเป็นผู้มั่งคั่งยากจนคนยากจนถ้าไม่มีคนให้ความช่วยเหลือเขาก็อยู่ไม่ได้อิ ล, ล, ละเหมือนเลยผู้ศรัทธาคนดีๆนี่แหละ تامنجراب قاميتا جعل الله سبحانه وتعالى كميرا نبي ف ن د و و ش ة تين لن يدخل أحدكم الجنة ب عمله مني خائن مبوق ك ا ن جكاو سواني عملكم تين قال ولا أنت يا ر س و ل ما كتن خ ن ب ل تبي تامقاملي قال ولا أنا ما كتن خ ب ا ش إلا أن يتضم دنيا ل ل ه برح م إندو الله ت م ا ن تحشى มำไงเี่ยพี่น้องให้เรารู้สึกแบบนี้ตลอดรู้สึกแบบนี้ตลอดถ้าเราไม่ไม่ไปหาอัลลอฮ์นี่เราแย่นะปลูกฝังให้เราอยู่ในความรู้สึกอย่างนี้ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานี่ยนะจะต้องพึ่งพามันจะทาให้เรานี่พ้นจากความเครียดของชาวนรกกันในโลกหน้าเนี่ยที่จะต้องไถ่ตัวเพราะเราอยู่ในโลกนี้เนี่ย อยู่ในความเครียดในความกังวลว่าจะต้องถ่ายตัวต้องพ้นจากอาญาพ้นจากสภาพที่มันใกล้ตัวเหลือเกินคือการที่เราบกคร่องที่จะทำหน้าที่ตอหรอกจะทำให้เราทำาอิบาดาแค่ไหนแล้วไม่ตะกบบุรละวมาเสร็จแล้วมาาันจะรอดไมเนี่ยรอดไหม ยิงไม่รู้อย่ามุเลวทั้งคืนท่เจอนรมบัดานที่เจอสุนน่แกไปอวดตปวดชาวบ้านเลยมันไม่รูมันต้องพึ่งพาความม่ทางขอเาอยู่เสมอเราอยู่ระหว่างการถ่ยตัวให้พ้นจากนรกอยู่เสมอสมอเสมอโอ้มยาบดิลาซีส ขหลีฟาที่มีความยุติธรรมที่บรรดาทาบิอายนี่เขาลงมัติเอกฉันว่าวันนี่ยเป็นขหลีฟารอชดีนที่ห้าคือขหลีฟาราชดีนคืออูบักโรมารุสมาน阿里หลังจากนั้นก็จะมีคนธรรมดาธรรมดา เขาก็อัลัมรนี่ยม่ธรรมดานีมีความมีตธรรมมีความที่งตรงกันการเขียนเข้ากับอัลบาดิสีที่ให้ฉายาว่าอัลขัลีฟะตุลราชิดอัลข้ามิสขัลีฟะตราชิดอัลขามิสแล้วเม่อทเอกชนว่คนคนนี้อัลัมมัรนีอัลราเนี่ย นึ่งในบรรดาที่อัลลอฮ์ฟื้นฟูศาสนาที่นบีบอกว่าทุกร้อยปีทุกศตวรรษนี่ก็จะมีคนหนึ่งอัลลอฮ์จะให้เขาฟื้นฟูอิสลามอัลลอฮุมูฮัมมิลลาฮ์อัลลอฮุมูัมมิลลาฮ์ ع, ع ز ز นี่ทำยังไงทุกคืนอารยาของเขาฟ้าที่มาบินตัว عبد الملك นี่มุมราชวงศ์ ฟาติมาเนี่ยนะบิดาบิดาเป็นขลีฟะเป็นกษัตริย์พี่ชายสงคนน่ะเป็นขลีฟะและสามีก็เป็นขลีฟะหัวเราะจิงหัวเราวะแต่ยอมสลละยอมสลละชีวิตของ ความเป็นลูกสาวกษัตริย์เป็นน้องสาวกษัตริย์เป็นภรรยากษัตริย์ภรนิยากษัตริย์อยู่กับอุมงค์ในแบบสมมาตรฟังทมานี่บอกว่าในประชาชาตินบีอาจจะมีคนที่ทำไม่ได้มากกว่าอุโมงค์นับเดียวซีสแต่ไม่น่าจะมีใคร กุ้อัลลอฮฺแม้ข้าอุมร์อับดุลลาฮีซิขมวดหัวไม่าทุกคืนทุกทุกคืนท่านจะตื่นสะดุ้งทุกคืนหลักแล้วตื่นสะดุ้งภรรยาก็จะถามอะไรเป็นอะไรอุมรอับดุลาีซสจะตว่า ومر عبد العزيز وجهت أ و ه ذ ك ر ت م ا ر ف ا ل ن ا س ذ ك ر ت م ا ل ر ف ا ل ن ا س ي و م ا ل ق ي ا م ة ك َ ب َ ا ء د ن ك ا ل ْ ع ب د ا ل ْ م ت ن َ ف َ ا ق َ ل ا ل ْ م ك ُ ي و ْ م ق ِ ي ا ة و ا ل ْ ق ي ا م ة ي و ل ق ِ ي ا و ل ْ ق ِ ي َ ي و ق ي ا ل ق ي ا ة و ل ق ي ا ي กลุ่มหนึ่งจะเข้าสวรรค์กลุ่มหนึ่งจะเข้านรกข้าพเจ้านึกถึงการกลับของคนในวันเกียรติและไม่ทราบว่าข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มชาวสวรรค์หรือกลุ่มชาวนรกข้าพเจ้าจึงตกใจ เร <Uh> totally ื่องล็กน่ะท่านพี่นะลับาวันอิกรอานอินนุละนามะอุลอาซิมอันดารมุอริดุนมันเป็นข่าที่ยิ่งใหญ่เรื่องใหญ่ที่อัลลอฮ์แจ้งเราอ่ะมีวันแกมามีนรกอีสุนมีเรื่องเล็กน่ะเรื่องญ่ทนตุมานหุอริดุนแต่พวกเจ้านห่หลังให้มัน หันหลังให้หมดไม่นึกเลยอะไม่นึกเลยว่าเ อ, อวันหนึ่งฉันจะตายวันหนึ่งฉันจะคื้นคืนที่วันหนึ่งฉันจะจะไปสวรรค์หรือไปนรกเลยฉันจะกลุมอยู่กลุ่มไหนแล้วจะไปนรกก่อนหรือจะไปสวรรค์วันนี้ยังไม่รู้อะไรเลยเนี่แล้วก็แล้วก็ชีวิตก็ไม่มีคิดไม่คิดเลยเหรคนเราเนี่ยถมีใครบอกว่าเนีเ่ยออกนอบ้านในรถชนเน่นะคงขังตัวอยู่ในบ้านนี่ไม่ไปไหนเลย ถ้ามีใครบอก อ, อกไปข้างนอกนี่โดนโดไวรั ส, สตายอย่ะไม่ออกรอกบ้านเลยแต่นี่เราอ่านกันในยกูอ่านทั้งศรัทธาทั้งเชื่อนะวิเทยามามีสวรรค์มีนรกแต่เฉยกลัวคนมากกว่ากลัวองค์โลกแสวงหาความสุแขแห่งโลกดุนยามากกว่าสวรรค์กลัวความทุกข์ในดุนยามากกว่ากลัวนรกเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย มันบ่งถึงคุณภาพกอิมานความศรัทธาของเราหรือเปล่าแล้วในตัวเราเนี่บางทีเนี่ยมันมีการปฏิเสธศรัทธาในยะนึงนิตินึงอัลลอลลอฮฺมอูมาร์ยจะพูดอัลลอฮุมะอินนีอาอูดุวิคะมินซุลมีวกุฟรีโฉันขอความคุ้มครองจากการซุลลุมของฉันการอธรรมของฉัน ว่ากูฟรีและการปฏิเสธศรัทธา เ, ออเรามีตูฟอร์ด้วยนะมันมีมิติมันมีเนยะของอีมานที่มันมันอาจไม่สมบูรณ์เชื่อสวรรค์จริงหรือเปล่าโลกจริงหรือเปล่าเชื่อในวันฟื้นคืวจริงหรือเปล่าเชื่อแค่ไหนแ้สะท้อนต่อชีวิตเราแค่ไหนมันไห้เห็นไหมว่าที่เราเนี่ย คนนีชอบพูดเรื่องนะฉันมันเพรไม่หลงกาดุน尼亚แต่ไปดูพฤติกรรมไม่ใช่เลยคือชีวิตเขาในอุทิศให้ดุ尼亚หมดเลยมันไม่มีอะไรเหลือให้อาร์เธอร์ไม่มีการกระทําใดๆที่บอกว่าเขากาลังไถ่ตัวจากนรกกําลังวิ่งหนีจากนรกวิ่งไปหาสวารรค์นี่ในชีวิตมันไม่มีอะไรบอก่ะมันควรที่จะเอามาเอามาไตรตรองมาคิดและปรับตารางชีวิต ให้มันสดโค้องกันหน่อยให้มันเข้าตัวกันหน่อยไม่อยากีย่ไปโกหกตัวเองอยากเข้าสวรรค์อยากพ้นจากนรกอยากโกหกตัวเองมันจริงหรือปะเอามันมันมาดูหน่อยสิทําอะไรบ้างอะ่ะพ้นจากนรกทํา อ, ทอะไรบ้างอะ่ะให้เข้าสวรรค์ <c oughs> มันมีหลักฐานที่บั่ง กนที ا ا هم هم ن ن ่จะถึงเวลาที่เราอยากจะทามันั้นเราก็ทำไม่ได้เอาอะไรมาถยตัวจากนรกก็ไม่กไลุ่มวะมิหนนวมาดับนาลิมยูรีดูนัยยักรูจูมินานารีวะม خ หุมบิขาริจีน م ้นห ب าวะลุมาดับมุคีเขาเหล่านั้นปถนาที่จะออกจากนรกปถนา ที่จะออกจากไปเข้าแลว้วทุกวัน <c oughs> ออก็อยากจะเล่าถึงช่วงหนึงงน่งฉากหนึ่งฉากหนึ่งของชีวิตคนในไรุก ขออุทธร์ต่ออัล a l อั h เราไม่ฟังไม่รับไม่รับรูก้ก็ไปขอจากผู้ที่น่าจะเป็นสิ่อน่าจะเป็นวุสฮิละอันซึ่งใคระมาลิกยามนะครับ มนร่ลมียามอยู่กี่ท่านกี่ท่านเออกี่ท่านยิ่งยามสันติชนกี่ท่านกี่คนยามสวรรค์ยามประตูอ่ะอ่าริวาน หัวหน้ายามนรกนี่ไหนก็คือมาลิกใช่ไหมแต่จานวนยามและผู้ที่จัดการทุกอย่างในนรกนี่สิ่เจ้าอาไลฮะที่สัตว์ะชับหรือเรียกว่า أصحاب ع ن ل د د ن ر ع ع ر ا ر มาจันา صحاب النار ีที่เ ا ล่าเัยชาวนรกไม่ใช่ที่พมนักอยู่ทุกตารมานะชาวนรกนี่ก็คือมาไลกะที่จัดการจัดการชาวนรก ลากพวกนี้ไปลากพวกนี้มาเอาน้าร้อนมาเทพวกนี้เอาเอาโลฮะเดือดมาเทกับพวกนี้นี่หนีของชาวยามวลาดวยอามาลิกน่ชาติของเลาดวยอามาลิกที่ยั่งยืนกับเราพระเจ้อามลิกช่วยหน่อย ให้อัลลอฮ์นีนะจัดการให้เราตายซะคอยตายซะสุดไม่ไม่ไม่ไหวแล้วละนไะคอยตายซะมาลิกจะตอบยังไงกาล่อินนักุมมากิซูนยัยันอ ย, ยู่อยู่อยู่ต่อไปจงทรมานต่อไป ชากแบบนี้น he oh, ี่ที Од ่มีเล่าในอัลกุรอานและในฮะดีษของท่านบีซุลตัมมลลาอะลเยฮวสัลลัมใครจะพยายามมีความจริงรละศัจธรรมของเรื่องเรื่องนรกนี่นะผลที่ตามมานี่คืออะไรฮะผลที่จะตามมานี่ก็คือการลงโทษการลงโทษ ที่เอามาใช้ไว้ค่มขู่คนที่ทำความชั่วนะมันก็จะไม่มีความหมายเช่นกลุ่มหนึ่ง <c oughs> ที่เชื่อว่าการทรมานในนรกเนี่ยมันเป็นนามธรรมเขาบอกว่าโดนน้ำเดือดนนะ่ะนามธรรมาอ๋อแล้วไม่จริงเหรอโดนไฟน่ะนามธรรมา ไม่เจ็บหรอกพก็เจ็บแต่ไม่ได้เจ็บมันไม่ใช่ไม่ใช่โดนไฟจริงนะไมีโดนจี้ไฟไม่ใช่โดนหินไฟไม่ใช่เร อ, อะไรอพวกมันเจ็บใจ <c oughs> มันมีปีติน ะ, ะโอ้จะเจ็บใจนี่นะี่ยขอเข้านรกด้วยขอเข้านรกเถอะทำไมอ่ะวันนี้เรื่องตเนี้ยนี่กูชิลเล่อเจ็บใจทั้งวัน <c oughs> ถ้าไปนรกนิเคจใจอนะอยู่ได้อยูย่ได้พอได้กอได้นี่กลุ่มนึงถ้าเให้ให้นรกนิกายเป็นเรื่องนํามาทําเป็นศูรกบ้านหละเป็นเป็นกลุ่มชนหรือเป็นนิกายที่หลงผิดกุจมาขีดขับการบวกนี้มุดตัดดิบปะ ท่นบอกว่าถึงขั้นมรุตัดทำไมเพราะตีความชนิดที่มันตีความไม่ได้เลยบิดเบือนนะเท่ากับบิดเบือนวันแล้งท่านบอกว่าไม่ถึงขั้นมรุตัดติมบ่าล่ารักแน่นอนหนุ่มแน่อ น, แนอแต่มันมีอครับเมื่เรียนเรียนรู้เรื่องศิรษเนี่ยรักนี้คือกลุ่มที่หลงบิดเราอย่าไปยึดติดความเชื่อ ของเขาที่มีระบุในประวัติศาสตร์แต่บางคนในทำเรื่องนี้เนี่ยจนจนไม่ได้ประโยชน์จากการเรียนฟิรบเลยเช่นกลุ่มวาริจเดี๋ยวกเอากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มที่ก็บอกว่านรลกนี้เป็นนามธรรมบนี้ไม่มีแทบไม่มีนะแทมไม่มีไอ้ฟิรกานเนี่ย ลมที่ตอนนรกนี่เป็นนำ ม, มาทำตากอนนนก็เป็นพวกนักปฏสยาดยนี้มีนิดหนึ่งแต่ไม่เยอะไม่มีเสียงตากอนนู้หนหรอกตากอนนู้นมีที่พ้นเป็นพรรคเป็นพวกแล้วก็ไปไปเป่าหูพวกพวกผูก้นาประเทศเนี่ยทำให้หลงเลยนะแต่นี่ไม่เคยมีแต่มันมีประเพณใกล้เคียงกับพวกนี้เราก็ไม่ควรที่จะเอาเชื่อของ ฟิโรคล่าวนี้เนี่ยมามาบริโภคมาใช้ในปัจจุบันเสมือนว่าโลกมุสลิมนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยลักษณะการหลงนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยตะกอนนุมีมอตอร์ไซค์แล้วนี้ก็มีมอตอร์ไซค์แลตะกอนนุ่นะมีมูชับบีฮ์นี้ก็มีมุชับบีฮ์ตะกอนนุ่น่ะมันมีมุร์จีอาดอนี้ก็มีมุร์ีอาไม่เอาคําศัพท์เหล่านี้ที่จะต้องเนี่ยอธีบายชาวบ้านนะนะ มันี้ตีใบโตเฮ้ยตัวพวกมุรจิองงเลยคมุรจิอนี่ะต้องตีใบสิแตก่นู่นะมันมีตัวตนแลวอุลามะนพูดถึงอย่างกว้างขวาง้ยระวังพวกมุรจิอันโอ้พวกนู่นนะเออแต่นี้ใระวังพวกมุรจิอนะ อย่าว่าเรื่องใหญ่แบบนี้นะครับบางทีเรื่องที่เราต้องเห็นใจชาวบ้านหน่อยชาวบ้านที่ไม่รู้อีโนอีนี่เลยนะยี่พวกบิดาบางคนไม่เคยเรียนศาสนาเลยอาจารย์บิดาเป็นว่าอะไรนี่ความบีดของใครอ่ะความมีของใครอ่ะที่จะไปสอนชาวบ้านเรื่องที่เขาไม่รู้ไม่มีพื้นฐานอะไรเลย เอาก็จะเอาเรื่องเรื่องเก่าๆเนี่ยมาใช้ปัจจุบันเสมอน่ะคนที่อยู่ในอดีตนี่ก็ยังอยู่เหรอคนที่จะตีความมนุนรยนี่เป็นนมามธรรมนี่จะไม่มีแล้วจะมีประเภทอืนที่เขาอุปโลกฤษีใหม่ขึ้นมานิและใช้วาจาหรือคำพูดหรือคาศัพท์เนียมกันใหม่เลยนะคนก็เชื่อแล้วก็ไหลาตามเยอะเลยมีไหมที่เขาบอกว่า อึไม่ถูกคนเราเป็นประชาชาตนนบีเราเข้าสวรรค์อยู่แล้วไม่เข้านรกเลยอ่ะคงใหม่หมอวะงไม่เข้านรกไม่ไมีกลุ่มชนเหล่านี้นี่มีอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้คนที่ฟันทงว่วตัวเองไงนะเป็นชาวสวรรค์แล้วชอบฟันธงคนอื่นแล้วว่าเป็นชาวนรกคช่ไ เ้าก็ยืมยืมคำพูดของต่างศาสนาให้สัตว์นรกสัตว์นรก น, นี่ไม่ใช่มนุษย์นรกอันนี้ยิ่งแล้วเลยเนี่ยสัตว์นรกนี่พวกชาวนรกนี่นี่คืออะไรนี่คือเขาเป็น เสกชนขวาริษไหมขวาริษท e ี่บอกว่าใครทำบาปใหญ่ตอนนั m ima, m ima ้นนะนะทำบาปใหญ่เนี wa, thi, ro, ่ยนะครับแลวบอกทำบาปใหญ่นี่ตกมรดเลยนะทำบาปใหญ่นี่ตัวบทไม่ได้ต้องทำอะไรกะลีม้อใบเฮ้ยมีไหมไปไปมีเดี๋ยวนี้มีไมไม่มีก็มีที่มากกว่านี้ที่เขาถกุญแจนรกกุญแจสวรรค์ แล้วก็เชิญคนเข้านรกเชิญคนออกจากสวรรค์นี่ในร่างนักกุศการบางทีเป็นนักกุศการที่อยู่ในแนวสุนานารีด้วยกาทั้งที่สุนานารี น, านี้ไม่มีแบบนี้ซึ่งอยานี้ที่อัลลอฮบอกว่ า, า, วามาฮุมบิคาริจีนมินหเขาเหล่านั้นปรารถนาที่จะออกจากไฟนรก แต่พวกเขาก็หาได้ออกจากมันไปได้ไหมออกไม่ได้ซอฮามะบางท่านไม่ใช่แต่บียินบางท่านเช่นตลีนฮับบบดนังกัสซอฮามะความที่ตลกเนี่ยศึกษาคุอ่านเยอะ เขาบอกว่าสหราชี่พวกกันนี่แปลกเนลืเกินไม่เคยเห็นใครแปลกเหมือนพวกกันถามว่ากรนั้นกันเยอะเลยเพียบถามว่าทําไมเขาบอกว่าพูกกันนี่บอกว่าจะมีบางคนที่เข้านรกแล้วออกจากเนรกไปเข้าวสวรา์อีกล่ะทั้งทั้ที่อัลลอกชั้นนรกนี้ปราทนาั้นออกจากนรกแต่อัลลอฮฺไม่ให้ สหาบานีตาวาเลยสมัน่ว่าเองเป็นเด็กนซนะมีสาบท่านหนึ่งมบจินนะเป็นมินบิตลกบกวะเนี่ยเป็นคนที่มีความขันติมีความอดทนสูงมากเขาก็เรียกนมาบอกว่าอ่านกุอ่านหมดหรือเปล่าอ่านุอานหมดหรือเปล่า هل قرأت القرآن؟ قال نعم جمعته. سلامو كم كان ه ي مي قنّا في ماتثانٍ من أصلب صلاة โดยเฉพาะ يومين صحابة. قوّيّة رأيّة من سرّنا. تويّجان ترى ي ه نه؟ مين كاين شفّة ج ن ّ هذا شفّة جنّة. ت و ج ّ أ ك و ا ا ت ن م جدّاً. ไม่ใช่อ่านเป็นนะครับไม่ใช่เปิดคุรันแล้วก็อ่านอ่านได้อ่านเป็นอ่านโน้ต่องเหลือเกินแต่ไม่ได้ศึกษาตลอดริ่องบุตรจมาตูข้าพเจ้าท่องกุรันนึ่นลิมเลยแต่ก็ยังพาดเพราะไม่ได้ศึกษาทั้งหมดท่องทั้งหมดจะมาตูเูแาะว่าฉันรวบรวมกุรันท่องหมดแล้วหาฟิตร์แล้ว แต่พ่อสบอกว่าอายันี้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาขารลบบ้างอินนั่ละีน่กลัวผู้ปฏิเสธศทานั้นไม่เข้ามืออกขระนรกไม่อักขระนรกอีกแรงงานหนึ่งตอนปีบอกว่าฉันไม่เคยเชื่อเรื่องฟาเานีของนบีเนี่ยมีหลายเรื่อง ชั่วอาฮ์ให้อัลลอฮ์เริ่มตัดสินให้มนุษย์ชาติทั้งหลายนี่ชั่วอาห์อัลมากุมรอและมีชั่วอาฮ์หนึ่งสําหรับมุสลิมมุขมินที่เข้านรกนี่นะให้ออกจากนรกนี่เป็นชั่วอาห์อีกชั่วอาฮ์นมีหลายชั่วอาฮ์นะชัอาฮ์ให้เริ่มตัดสินชั่วอาฮ์ให้มุขมินที่ควรเข้านรกไม่เข้าเลยเข้าสวรรค์เลยชั่วอาฮ์สำหรับมุขมินที่เข้านรกแล้วเนี่ยให้ออกจากนรกชั่วอาฮ์สำหรับ มุมินที่อยู่นรกนานให้อยู่สั้นสภาสำหรับมุ่มินที่อยู่ในสวรรค์ตำแหน่งชั้นล่างให้ขึ้นชั้นสูงมีหลายสภาหนึ่งในนั้นน่นะให้คนที่เข้านรกนี้ให้ออกจากนรกฮะแต่เวิเอินคนนี้ก็บอกว่าฉันไม่เคยเชื่อทําไมอ่ะอามาจากไอะนี่เขาปัาจัยไที่จะออกจากนรกอัลลอฮ์ไม่ให้ออกแสดงว่าคนเข้านรกแล้วไม่ออก จะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามเกิดจากไหนเนี่ยความข้าเคลื่อนเนี่ยเอาไม่น่ชอลยพระถ้อ่านอยกนนาีน่ก็จะเห็นว่าเราบู팅อินลลีนะก็ฟังรูคนท่องอุานังเล่มนีงมีโอกาสพลาดนะแล้วาษาอะไรคนที่ออกมาวิจารเรื่องราของศาสนานี่นะครับยอมายังอ่านไม่เป็นนะอย่าว่าอธิบายนะอ่านไม่เป็น จะพูดเลยลฟ์เน so, ่งลนี grad, ่สาบก็ทำวะฮันคูร์ฮันโมเดียนฉะนั้นพี่น้องต้องระวังนะเวลาพู้วิจารณ์เรืองอะไรของศาสนาที่ท่อมต้นนิดนึ่งดีไปเมื่อไร่ันคร์ฮันโมเดียนศึกษาก็นนมเดยตลอดบกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปข้าพระเจ้าไม่กล้าปฏิเสธเรื่องชา สหบาที่มีความรู้มากกว่าเขาสอนไงกระเคลื่นเข้าใจผิดไปอ่านอายะเดียวนี่กลับข้างหลังไปนิดนึงอายะเดียวก็จะเข้าใจแล้วนั่นหมายรู้ว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่สำหรับมุสลิมสหบาบอกว่าขบราชได้ยินจากนบีไปหูนี่ไม่รู้กี่รอบแล้วว่านบีพูดว่าอัลลอฮ์จะให้เขาออกจากนรกหลังจากที่เข้าไปแล้วให้ออกดูชั้นฟ้าขท่านนบีสัลลอฮุอะลัยฮิสแล ก็มีขาวร้ายเจน่ที่เขาบอกว่าทำบาปใหญ่นี่มุรตัดตกศาสนาเป็นกาเฟตเลยนะแล้ะจะเสียชีวิตโดยที่ไม่ดีกัลิโม่ใหม่ไม่ได้รับอิสลามใหม่ยันจะเสียชีวิตในฐานะเป็นกาเฟตเข้าลนรบตลอดการเดี๋ยวนี้มีไหมพวกนี้มีไหมไม่มีแต่มันมีอย่างอื่น ยังอื่นไอเราอะไรไออะไรนิดหน่อยน e. ี lands, ri ار, <the> ่ก็เอาฟื้นคืนชีพเรื่องของเก่านี่นะมั้งคาราเรจนี่เนื่องจะก็่าเขาแข่งขัดมากไงแข่งขัดมากบาบบาบใหญ่ก็ไม่ได้น่ะต้องการลีโม่ใหม่เขาก็เห็นผู้นําสังคมเห็นกษัตริย์เห็นคอร์รัปชเห็นพวกนี้นิวเพียบเลยบาปใหญ่ เขาก็เลยส่งไปนะครับก็พวกนี้ไม่ใช่พู้น่ะมุสลิมพวกนี้เราต้องกระบดบมันกระบดบมันยังไงด้วยการประกาศสงครามล้ด้วยการเขียนฆ่าด้วยเลือกนี่เขาวาริงตอนนี้ก็มีมีกลุ ม, มน พอเห็นใครพูดถึงผู้นําตำหนิผู้นําเอ้ยคูขวาวริชเอาโลเอามันนี่มาจากไหนนี่ของมันมันอยู่นู่นมันถูกฟังมันเป็นพันปีและไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันเลยนี่กลายเป็นขวาวริชข่าวริชอะไรตำหนิผู้นำข่าวริชนี่เขาขอบอกว่าบาร์บี้อายนี่ตกมุดแตกคนขุมนี้เขาบูกอย่างนี้เปล่า เขาาริสมีเขายกดาบก ร, ร, ระบอบทผู้นำฆ่าเล ย, ยมุสลิมเจอไหนครับเขาฆ่าสฮาบะฆ่าลูกหลานสฮาคุณมิเชบไม่ใช่แล้วจะป็นขวาริสยังไงอะแค่ตำหนีผูน้นำนแสดงว่ามีเชี่อคขวาริสซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่มันร้ายแรงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันทำให ความแตกแยกที่มันเกิดในในประชาอิสลามเนี่ยไม่เกิดด้วยเหตุผลตามหลักศาสนาเกิดด้วยเหตุผลทางอารมณ์ทำไมพอไม่มีเหตุผลทางหลักการที่รองรับคุณเอาพวกมอตอซิล่าควาริสมูร์จีอคกการียจบริยานีขใครมีววมีอะไรมีอะไรเหมือนนี้ดึงอเอาใายเลยนี้ เป็นดรียบวกนี all, ้เป็นมรจียาววุ้กนี้เป็นขวาริสเนะ้ศาสนาไม่ได้บังคับนะเลฟก็ไม่ได้บังคับนะพอต่อไปนี่ขวาริสคดเรียมรจีานเนสตว์วที่หนึ่งที่สองผ่านไปแล้วนี่ผ่นสองร้อยปีจะคคำศัพท์เหล่านี้เลฟก็ไม่ได้บอกว่าต้องเอาคานี้ไปใช้ไปวิจารณ์จะวิจารณ์ทาไมอะจะวิจา่ออื่นก็ได้สิครับ ตั้งชื่อใหม่ก็ได้ให้มันเหมาะกับสถานการณ์ทาไมอ่ะเพราะเอาชื่อเกาวนี้มาตั้งนี่นะเอาเพอเอาชื่อกาวนี้มาตั้งเนี่ยข้อตํแหน่ของชื่อเก่าวนี้มันก็กลายเป็นของกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็เสียหายสิ้นดีเลยไม่มีเหลือเลยเป็นขวาริจอย่างนี้เป็นมรจีแอร์จบเลยจบเลยคนนี้ไม่แยกไม่เป็นนะนะความเชื่อนิดนด น, ด น, ด น, ดนิดเดีย กล า, ายเป็นขอ้อคอรหาที่ร้แรงเช่นคนที่ยังแยกไม่เป็นเ ร, รื่องชีอะเรื่องรอฟิ ض คนหนึ่งเป็นซุนนีแต่งานกับชีอะซุนนีนี่มีความเชื่อชีอะแต่ตอนนี้เระบุง่ายเฮ้ยชีอะทำไมอะนี่มันชีอะเอามาจากไหนอะลกเนี่ว่ามาจากไหน พูดถึงความเชื่อใช่ไหมการความเชื่อก็ที่เขาเชื่อคข า, เ ช, คาเชื่อแบบเชียร์ไหมหนนเฮ้ยนป่ไม่เชียร์ทำไมอ่ะเพื่อนมันเป็นเฮ้ยน่ะนี่เบื่อเอคนนี้เป็นพุทธทําไมอ่ะเพื่อนพุทธเพียบเลยได้ไหมโอไม่เหนือเลยนะสังคมเราไม่ตรงเนือเลยไม่มีมุสลิมแล้วแบบนี้อันในการกล่าวหาแบบเนี้ในสือนอ่องบองเงินมีไหมมีสืบเมื่อาชีพอะไรกับหลักการ ในการวิจารณ์คนอื่นเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีวิชาการไม่มีหลักการรองรับและมืดคนอื่นแต่ก่อนนู้นโอ้ โ, โดนเป็นก้อนยานีเป็นอะไรเป็นเป็นก้นที่ตกสเกลนัเลยไม่ละหมาดตามไม่อะไรนี่บอกแตถามว่าสังคมแต่เยียงนี่เพราะอะไรแต่เยี่ยรครบคนที่ไม่มีเหตุผลไม่รู้เหตุผล จริงๆสังคมมุสลิมเนี่ยประชาชิอิสลามี่ยเนอันหนึ่งอันเดียวความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้เผื่อเดียวนี่มีสูงมากแต่คนนี้ไม่มีไม่มีวิชาการไม่มีผลที่แย่แย่ออกจากมัสยิดเพราะอะไรมันกูหนูแย่ yeah. ออกจากมัสยิดเพราะอะไรสละวันใมีเสียงดังโอ้แย่แย่ผลงแค่เนี้ยแค่เนี้ย รื่องนี้เรื่องใหญ่ไอ้คนที่เชื่อว่าบาปใหญ่เข้านรอกตลอดกายพรามอเตอร์ีแลนี่มอเตดีนบอกว่าคนที่ทํำบาปใหญ่เนี่ยไม่ใช่กาเฟ่ไม่ใช่กาเฟ่เป็นมั่วมินไหมไม่ใช่ เป็นกาเวนไหมไม่ใช่เป็นปาซิกไหมเขามีใช่เพราะจะเป็นปาซิกนี่ถือว่าเป็นยังยังมีความศรัทธาก็ไม่ได้มุ่งมินแล้วไม่ได้ว่าและเป็นกาเวนไม่ใช่แล้วเป็นอะไรอ่ะเขาจนกระทั่งไม่สามารถตั้งชื่อนะเขาบอกว่าฟีมันซิลลิตินไบนัลมันซิลลตินอยู่ในตําแหน่งระหว่างสองตำแหน่งนี่คำนี้ก็จนนะ คืออุปโลกเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะตามไม่ทันนเ อ, เอาเอาตั้งชื่อเราเนี่ไม่มีซี่ อ, อยู่ระหว่างสองตำแหน่งพอไปจี้ถามไปอีกในพวกมอรเตอร์นี้จี้ถามอีกเอาตกลงเขาอยู่ในโลกนี้นี่ก็าอย่างนั้นน่ะไม่มีไม่มีบ้านอยู่นะไม่มีไม่มีมมทะเบียนอยู่อยู่อย่างเงี้ยแล้ววันกียรมากเหรอว่าเกียร์มากมานี่ตกรงรบตลอดการก็ไม่ต่างกันอะไรกันไม่ต่างอะไรกับคาริสที่เขาบอกว่าเพราะบาปใหญ่ไปวันกียร์มากกัน ตนรกตลอดคราบมเตซิลกับขาวอรียเนี่ยกมีลักษณคร้กันตเนืจากว่าบิดาแบบนี้เนต่กอนนู่นน่ะนะอะไรเล็กน้อยเนี่ยเขาก็กัดกันเลยโมเตซิล่ก็ไม่ถูกกับขาวอริยเนี้ยขาวอริมันว่าโมเตซิล่เนี่ยมันว่าเหมือนน่งบุกกระเยไม่อย่างมันชัดสิกาเฟหรมันกาเฟเขาริ่มัาแฟแต่โมเตซิล่บอกว่าไม่ชัดเจน่ะฮะ ก็ได้การอันลุศุนน ا วอลจัมม่านี่ก็ไม่ฮินดูอยฮ์ข่าวรีส์ีบอกมาตั้งลาเปนกัฟมาตั้งลาเขว่าข่ารีส์ก็นกัฟิรตัอันลุุนน์วอลจัมม่าบอกว่าทั้งคู่นี่เป็นมุสลิมนี่ใมเมตตาของอัลุุนนวอลจัมม่าอันลุบิดาลูกคู่วรคู่วคูรค่วนลุนน์วอลจัม ไอ้เรื่องไอออะไรแบบนี้แล้วก็ว่าผิดว่าถูกบิดาหรือไม่บิดแต่ก็ยังเป็นมุสีถ้าเราจะลดอิทธิพลของความเชื่อเหล่านี้ความเชื่อที่ว่าทุกเรื่องของอดีตจะต้องมามาใส่ในปัจจุบันให้ให้ทุกคนเนี่ยได้สวม สวมใช้ยาของคนในอดีตเนี่ยเราจะลดยังไงดีการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นซึ่งในในอายานี้นะครับมันก็เป็นอายาที่ควรที่จะเอามาทบทวนเพื่อรำลึก <c oughs> รำลึกถึงตำแหน่งของชาวนรุษผู้ศรัทธา อ่านุรานได้ยินอัลลอฮพูดถึงชาวนรกถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาเขาจะไม่บอกว่าฉันไม่เกี่ยวเราพูดถึงชานรกฉันเป็นชาวสวรรค์ใช่ผู้สถานเวลาได้ยินเรื่องของชานรกเนี่ยฉันหรือเปล่าจะเป็นฉันหรือเปล่าพูดถึงชาวสวรรค์ในมีชชะนิหรือเปล่า ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวด้วยความหวังความหวาดกลัวว่าอาจจะตกนรกความหวังว่าอาจจะเข้าสวรรค์ความหวาดกลัวว่าอาจจะไม่เข้าสวรรค์ความหวังว่าอาจจะพ้นจากนรกนี่คือ <c oughs> สภาพที่เราจะต้องร้ำลึก เ, เมื่อศึกษาตัวบทนะครับจากสุรัตอัลมาอีดา้ามาดูถึงเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เ ก, กิดการคิดได้เรื่องเกี่เกิดการกลานะครับต่อไปนี้ส่ว น, นด้านใหม่ๆก็จะพูดถึงเรื่องบทบัญญัติว่าด้วยการลงโทษอาชญากรหรือคนที่ทําความผิดในสังคมต่า ง, ง, งๆก็จะกลับสู่ระเดิม น, นะครับของส่วนใหม่ๆคือเรื่องกฎหมายนะครับสําหรับทํา <ำ S 2> คืนนี้เ ข, เขาก็ได้บทเรียนสําคัญนะครับ <c oughs> สำหรับผู้ศรัทธาที่หวังว่าจะไม่เป็นชาวนรกนะครับความความหวังตอ่อเลาะการขอต่อเลาะสุภาณวตาร์าหารให้เราได้พ้นจากนรกนี้นี่เป็นภ า, ารกิจสำคัญภ า, ารกิจสำคัญที่พวกเราจะต้องทบทวนทวบทวนเสมอนะครับ คงฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับวันนี้รู้สึกสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับจะตองขอเพียงแค่นี้นะครับอัลลอฮฺุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุุ์ุ์ุ์